ความมืดถ้ามันมีความสว่างพื้นที่ผ่อนคลายของพื้มีอาวะเพื่อรับทราบดินฟ้าอากาศความมืดความสว่างคนเราก็เป็นทุกข์สัตว์ก็เป็นทุกข์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 หาความสว่างไม่ได้ร็ย่อมเป็นทุกข์คือไม่มีที่ออกไม่มีที่ระบาามีทั้งมีแต่ทุกข์ทายเดียวไม่มีความสุขแทกตั้งเลยโลกนี้ก็อยู่กันไม่ได้สิ่งอนนี้เป็นของคู่เคียงกันเสมอ จากนั้นก็แยกออกไปเป็นโลกเป็นธรรมโลกถ้ามีมีแต่โลกล้วนด้วนไม่มีธรรมเข้าเคลือบแสงโลกก็หาประมาณหาขอบเขตเหตุผลหาเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ได้เมื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยว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 นับเป็นจํานวนล้านล้านเพราะโลกนี้มีมาเป็นเวลานานโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันด้วยมานืวยเหตุนี้ศาสนากับโลกจึงมีคู่เคียงกันรั <c oughs> ขาดไปบ้างก็เป็นบาง การบางสมัยเช่นท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทธันดอนลิสุญญากัเข้หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนาพุทธันดอนหมายถึงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสรู้นั้นนั่นก็ว่าง จากศาสนาแล้วท่านยังพูดไปถึงพรตกับแต่ละพัะตกับที่จะปรากฏขึ้นมานั้นก็ว่างจากศาสนาท่านเรียก ว, ว่าศูนยากับการว่างศาสนาแต่ละครั้งแต่ละสมัยนั้นเป็นการว่างจากความผุด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 ตาโลกยิงชนมุนวุ่นวายกันอยู่ในห้องมืดแห่งโมขัดโมโมหะคือความมืดบ ờ ระหว่างโลกกันตาโลกในสมัยนั้นของมนุษย์ก็ได้ไม่ผิดศาสนาจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็นสิ่งที่พยูนจิตใจชะโลมจิตใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกับคนไข้ที่มียามีหมอรักษาถ้ามีแต่คนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองหาหมอไม่ได้เราวาดภาพขึ้นมาดูก็ได้จะเป็นที่สลดสังเวชหน้าอิจนาราใจหน้าเบือ่อหน้านายเป็นไหนไหนโลกนี้จะไม่มีใครปรึงปราถนาจะมาอยู่กันเลย หรืออยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะติดใจใครอยากอยู่ต่อไปนอกจากมีแต่ความขายะกขยแยงมีแต่ความทุกข์ความพรมาณรัฐธทมในจิตใจอยู่เป็นประจำเท่านั้นเหมือโรคไม่มียาโรคไม่มีความรู้สึกว่ายามีหรือหมอมี จึงเป็นโรคที่ร้ายแรงมากสารโลกที่ไม่มีธรรมไม่มีคําว่าบุญว่าบาปพอที่จะให้ขยะขะแขยงเพื่อกันละการถอนเพื่อและเพื่อมีความกระยิ่มมุ่งหวังต่อบุญคือความดีนั่นก็เป็นโลกที่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกัน สิ่งที่รุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนั้นไม่มีการไม่มีสมัยมีการมีสมัยเฉพาะสิ่งเยียยาสิ่งรักษาหรือาศาสนาธรรมกิตตพุทธจากแต่รัตพระองค์มาอุบัติกระดัลรูแล้วสั่งสอนโลกเท่านั้นส่นกิเลสที่ซึ่งเป็นทําความรุ่มร้อนให้เกิดสัยโลกนั้นไม่ไม่เคยมีคําว่าการว่าสมัย ยิ่งเป็นสมัยที่มันมีศาสนาด้วยแล้วยิ่งเป็นสมัยที่กิเลสประเภทต่างๆสแสดงอิทธิพลเต็มหัวใจของสัต์โลกแล้วฤทธิเดช ท, ทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างจ ะ, สะแสดงเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังของมันเพราะไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทา น, ทานถ้าเป็นโรคก็ไม่มียาเลย จึงต้องแสดงเป็นที่เตรียมฐานแก่คนไข้ในกิจใจที่ไม่มีธรรมไม่มีศาสนามีแต่กิเลสอย่างเดียวเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับในหัวใจนั้นจึงหาความสุขแม่นิดหนึ่งไม่ได้เลยเรียกว่าโลกันตับก็ไม่ปิดในสมัยที่เป็นสุญญากับ ว่างจากศกาสนาสัตว์โลกก็จมอยู่ในกองทุกหาทางออกหาทางหลีเว้นหาทางเยียวยาไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเยียวยาเนื่องจากศาสนาที่เป็นสิ่งเยียวยาเป็นสิ่งต้านทางเป็นสิ่งกำจัดค่าสิททั้งหลายเหล่านั้นไม่มี นี่กล่าวถึงทั่วทั่วไปตามหลักคติธรรมคติโลกหากเป็นของคู่เคียงกันมาเช่นนั้นนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองซึ่งเกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันอุดมมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องที่แนแนวทาง ให้รู้ทั้งความเสือ่อมความเจริญให้รู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงบิมุดหลุดพ้นได้แก่กนิาพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วในหลักธรรมของพระพธเเจา้าและเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทานไว้แล้วนี้ อมาบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเป็นธรรมชาติที่ตายตัวคือมีมาแล้วแต่การไหนๆเป็นแต่ ย, ยังผู้สามารถจะค้นพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราว ในเวลาที่พระพุทธเจากรัสสรู้เท่านั้นพอเมื่อเราทั้งหลายได้ทราบจากศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั่นยำ้ำเช่นนี้ึงเรียกว่าเราทั้งหลายมีวาสนาเหมาะกับการกับสมัยแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ที่มีธรรมเป็นเครื่องประดับหรือมีศาสนธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องเทิดผูลเป็นธรรมทำความอบอุ่นมั่นคงให้แก่จิตใจของเราหรือว่าบอแห่งการสร้างความหวังคือศาสนธรรมก็ไม่ผิดเราสร้างความหวังเราต้องสร้างตามหลักของธรรม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 ในรูปพันธสฐานตลอดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องบริษัทบริวารสมบัติหนึ่ทองต้องการแตกของดีเป็นที่พึงหวังด้วยกันทั้งนั้นนะเมื่อเราต้องการเช่นนั้นแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่พึงหวังดังใจหมายให้สมบูรณ์นั้นก็คือาศาสนธรรม ท่านชี้บอกไว้โดยสมบูรณ์แล้วเช่นอยากเป็นคนดีต้องประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วซึ่งจะแสดงออกอยู่ทุกระยะหรือทุกเวลาภายในร่างกายจิตใจหรือกายวาจาของเราใจของเรานี้ท่านอสอนวิธีระงับวิธีดับวิธีกำจัดวิธีหักห้ามไว้หมด ừ, เมื่อเรา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 สิ่งที่มุ่งหมายใดๆก็ไม่พ้นจากการทำความดีตามหลักศาสนาธรรมเราจะทำแบบสุ่มเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำมาตามความอยากความต้องการของตนนั้นส่วนมากมักเป็นสิ่งสังหารทำลายความหวังของตนที่หวังความสุขความเจริญหวังความดีทั้งหลายให้กลายเป็นความเลวร้ยรายหรือความทุกข์ไปเสียหมด ด้วยเหตุนี้ศาสนาครามเป็นสิ่งจําเป็นลำดับ บ, งบังคับจิตใจของเราให้ก้าวเดินหรือประพฤตปฏิบัติไปตามสายเหตุคือการกระทํำของเราอย่าให้ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปผลจะพึงสมหังโดยลําดับกำหนดมีเท่านี้ทางของมนุษย์ผู้มีธรรมจะพึงก้าวเดินให้สมความมุ่งหมายดังใจหวังไม่มีทางอาื่นนี่เราทั้งหลายก็ ได้ครองน้ อ, นอมธรรมเข้ามาปกปักรักษาหรือประพฤติปฏิบัติยึดเหนี่ยวเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายอยู่แล้วภายในใจของเราเวลานี้ถึงชื่อว่ า, านี้มีวาสนามีอุปนิสัยจึงได้เกิดมาเหมาะกับการสมัยที่มีพระพุทธศาสนา แม้พระพุทธเจ้าท่านจะปริพานไปแล้วเราไม่ได้เห็นองค์ของท่านก็ตามธรรมคือความจริงทั้งหลายนี้เป็นองค์แทนพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่ท่านหลัดกับพระอรนนว่าดูก่อนอนท์ธรรมและวินัยที่ ปัาคตได้แสดงไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสด า, าแทนเราถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนะองศาสด า, า, าก็คือที่ตรงนี้เป็น จ, จุดสำคัญยิงไม่มีคำว่าอาดีตอนาคตเป็นสวรรคาธรรมทิตรัสไว้ชอบแทนพระองค์อยู่แล้วโดยสมบูริยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตอน เข้าโดยลําดับลําดาเต่าะ อ, อย่างยิ่งกิตตภาวนาให้เห็นประจักษ์ใจตั้งแต่สมะธรรมวิปัสนาธรรมขึ้นไปเป็นลําดับก็ยิ่งจะได้เห็นตถาคตคงแท้จริงภายในจิตใจของเราเป็นสักขีพยานโดยลําดับลําดาจนกระทั่งเป็นสักขีพยานลึกความจริงเต็มส่วน ขึ้นภายในใจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นองคตถากรตั้งแต่เริ่มแรกแห่งธรรมขึ้นไปแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมเริ่มเห็นองคตถาคตไปเรื่อยๆเมื่อถึงขั้นวิสุตติธรรมคือวิมุตติธรรมแล้ว เรีบว่าเห็นศาสนาเต็มองเต็มร้อยเปเซ็นเต็มเม็ดเต็มหน่่ยเพราะธรรมชาตินี้เป็นอย่างเดียวกันไม่มีที่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดก็าตามเมื่อได้กล้าเข้าสู่ธรรมณที่บริสุทธินี่แล้วย่อมหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 เป็นธรรมาชาติที่เหมือนกันไม่หมดไม่ไม่มีความสงสัยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธทางสาางัณห์ขะาฉามิที่เราทั้งหลายกล่าวอ้างระลึกถึงพระองค์คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีทำมังสะนังขะชฉามิที่เราได้ระลึกถึงพระธรรมก็ดีสังฆังสะนังขะชฉามิ ที่เราได้รู้ถึงพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดูรวมอยู่ในธรรมชาติที่จิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของผู้บริสุทธินั้นอย่างประจักษ์หาที่สงสัยไม่ได้แล้นี่แหละคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกทั้งหลายมีอยู่ สมมติทั้งหลายมีอยู่กันทั้งความมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปท้งความสูญไปดังที่โลกทั้งหลายเข้าใจกันหรือในเรื่องคำว่าสูญทั้งสองเงื่อนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคาว่าพุธทธธรรมสงฆ์ที่มีอยู่นี่เละ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 เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงนี้แยกออกเป็นสมมุติอันหนึ่งเป็นกิริยาอั น, น, นแต่และอย่างละอย่างต่อเมื่อจิตได้เข้าถึงธรรมมบริปุจจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะทราบได้ทันทีในกิริยาและธรรมชาติที่แท้เป็นอย่างไรไม่สงสัย เมื่อจิตได้ก้าวเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วก็เท่ากับได้ก้าวเข้าสึงธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิเพราะธรรมบริสุทธิ์กับใจที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันคําว่าพุทธธรรมสงที่แยกเป็นอาการนั้นจึงรวมอยู่ในคําว่าธรรมโมปิโปอันเดียวกันเท่านั้ น, นธรรมชาตินี้ไม่มีคําว่าการ สมัยสถานที่ไม่มีอะไรเข้ามาทำลายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลบล้างแต่เป็นธรรมชาติอย่างทำที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองถ้าว่าโดยลำพังก็เป็นลงโดยลำพังอย่างนั้นเพราะไม่ใช่สมมุติทั้งมวล ที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี่นั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากและมีจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมผั์รับทราบธรรมชาติอันนั้นตาหูจมูกทิ้นกายไม่ใช่วิสัยแห่งการรับทราบธรรมเหล่านั้นมีใจเท่านั้น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 ทำว่าสมาธิขึ้นที่ใจของตัวเองแล้วจะไม่ทราบว่าสมาธินั้นเป็นอย่างไรถึงความสงบนี้สงบยังไงเป็นแตเพียขงขาดทั้งที่ขาดด้วย ท, ทั้งด้วยทั้งที่จิตไม่เคยสงบแล้วจะไปถูกความสงบได้อย่างไรคือจิตขาดสมาธิด้วยทั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตขาดปัญญาด้วยทั้งที่จิตไม่ได้เป็นปัญญา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 เพราะการบำเพ็ญธรรมมีความพอตัวถึงจุดอิ่มตัวได้ไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสกิเลสนี้ไม่มีคาว่าอิ่มตัวนอกจากมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจึงมีความกวนกระวายอยากดูอยากเห็นอยากได้นั้นอยากสัมผัสนี้เป็นอยู่อย่างนั้นหาความอิ่มพอพอสงบตัวบ้างไม่ได้เลย กิเลสทากิตใจของสัตว์โลกให้ละสมีรักษายกระวนกวายไปได้วยความอยากความหิวโหยหรือจะว่าความทะเยทยานอะไรอะไรก็แล้วแต่สําคัญที่ความหิวความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเต็มอยู่ในหัวใจคําว่าเต็มนี้มันเต็มไปได้วยความหิวโหยไม่ใช่เต็มไปได้วยความสมบูรณ์ภูมิผลที่พึงปรารถนาแต่อย่างใดไม่เหมือนทําม ทมนี่คำว่าเต็มสมาธิก็เต็มจริงๆสงบเต็มหัวใจน่ะรู้ได้ชัดความสงบในสมาธิย่อมอิ่มตัวในสมาธิไม่เหมือนกิเลสว่าจะมีความอิ่มตัวในตัวเองไม่เคยมีเนี่ยขัดแย้งกันตรงนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกันกิเลสหิวเต็มที่ ใจอิ่มพอเต็มตัวความหิวกับความอิ่มวัดผลของมันแล้วเป็นอย่างไรความหิวก็คือความทุกข์ความลําบากความทรมานหิวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากขึ้นอย่างเราหิวข้าวอืย่าว่าแต่หิวภายใจิตใจด้วยอำนาจของกิเลสเลยเพียงหิวข้าวเท่านั้นก็เป็นทุกข์หิวหลับหิวนอนเป็นทุกข์ข้างนั้นยิ่งหิวด้วยอำนาจของกิเลสด้วยแล้วก็เป็นมหันต์ตทุกข์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 อยู่ด้วยความสงบสบายเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วนอนสบายเช่นนั้ น, นปัญญาก็มีความอิ่มตัวได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วอิ่มด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทําแล้วไม่มีธรรมะเตลิดเปิดเปิงมีความมีประมาณพอตัวพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรมจนกระทั่งถึง เต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของเต็มภูมิของธรรมแล้วเรียกว่าเมืองพอ่อคําว่านิพพานานิพพานถ้าเอาพูดตามหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความหิหวโหยแล้วก็คือความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแหละแล้วคำว่าอิ่มตัวเต็มที่แล้วยังคงเส้นคงวาอีกด้วยตลอดอนันตการไม่มีสมมุติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวาย หรือสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนั้นอีกเลยตลอดอนันตากาลคือไม่มรีระหว่างนั้นระหว่างนี้ท่า น, นทิวาธรรมะนิพพานเที่ยงก็หมายถึงกิจที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วหรือพ้นแล้วจากความหิวทั้งหลายโดยประการทั้งปวงและตลอดไป ทันจริงเรียกว่าเที่ยงถ้ายังจะมีแปลผันกันอยู่มันก็เป็นสมมุติธรรมดานี่แหละครมีอายุยืนนานขนาดไหนกี่ล้านปีก่อนตามถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ยังตกอยู่ในตรายักษ์คืออันนี้จังหาความแน่นอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์กับคำว่านิพพานนั้นจึงไม่ได้อยู่ในกฎของตรายักษ์ ที่จะเอื้อมเข้าถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เป็นรังแห่งสมมุติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาดส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนก็เป็นเรื่องของสมมุตินี่ทั้งหมดส่วนจิตที่บริสุทธิล์ล้วนหรือนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ในกฎอันนี้นอกเหนือจากกฎนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการพิจรารณาเพื่อนิพพานจริงต้องก้าวเดินไปตามอนนี้จัง ทางสายอนิจจังทุกข์ของหน้าตาอันเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นไปแล้วทำทั้งสามประเภทนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงหมดสิ่งเกี่ยวข้องกันธรรมที่กล่าวมานี้มีผู้ใดสามารถที่จะนำมาสั่งสอนโลกได้ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น เป็นผู้ชาาิสามารถเหนือมนุษย์มนาเทวดาและสัตว์โลกทั้งหลายเกินกว่าที่จะนำมาเทียบเทียมได้และไม่ทรงศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดด้วยตรงเป็นสยามผูรู้ด้วยความสามารถของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาสั่งสอนสารโลกให้รู้บุญรู้บาตรู้นรกรู้สวรรค์ รู้จงกระชั่งถึงความหลุดพ้นคือทานิ่ผ่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ไม่มีใครได้รู้ไร้เห็นจึงหาทางหลีกทางเว้นทางเพื่อบำเพ็ญไม่ได้เมื่อหาทางไม่ได้มันก็ต้องติดอยู่ทางฝ่ายต่ําเสมอฝ่ายต่าก็คือเรื่องของยิ่งเด็ดผลก็คือเรื่องความทุกข์ ทรามานสัตว์โลกแล้วโดนเอาโดนเอ า, นเอาในสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละโดนได้ง่ายถ้าสิ่งที่เห็นใครจะไปกล้าโดนเพราะคำว่าโดนโดนมากโดนน้อยโดนหนักเบาขนาดไหนก็ต้องเจ็บไปตามส่วนแห่งการโดนการเตะการชนการเหยียบน้ำเส้นขวากเส้นหนามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับสัตว์โลกทั่ ว, วไป ชาโลกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนี้ได้เลยแม้รายเดียวนอกจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้วจากแดนแห่งสมมุตินี้เท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ค้นไปแล้วไม่มาเจอไม่มาโดนในบรรดาสมมุติทั้งหมวลไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอีกความสุขของโลกก็ไม่ว่าสุขอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนโต ท่านปล่อยไปหมดแล้วความทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสอํานาจของวัตตวณที่เป็นมาตั้งแต่ทุกเล็กน้อยจนกระทั่งถึงมหันต์ตักทุกเพราะฤทธิ์อานาจของกิเลสผิดขึ้นมาบีบบังคับสัตว์โลกท่านก็ได้พ้นไปหมดแล้วไม่มีท่านผู้สิ่งกิเลสพระองค์ใดรายใดเข้ามาเกี่ยวข้องออื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 การกระทําก็ทําด้วยความมืดบอดไม่ได้รู้ว่าดีหรือชั่วหรือรู้ก็ทําทั้งรู้รู้ยิ่งเป็นความหน้าด้านของผู้ทําสันดานหยาบของผู้ทำไปซะอีกแล้วจะอำนาจแห่งความหน้าด้านสันดานหยาบนี้เข้าไปลบล้างกองทุกข์ลบล้างนรกอเวจีซึ่งเป็นที่แผดเถาของสัตว์หน้าด้านของสัตว์หยาบโลนนี้ได้อย่างไร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 คนจนขนาดไหนเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นไปอยู่กับาธาตุกับขันเป็นไปอยู่กับความคิดการกับทำผิดถูกดีชั่วของตนนี้ตนต้องจาต้องยอมรับไปโดยลำดับลำดับตลอดกันวันตลอดคืนตลอดอายบทไปอยู่เช่นนี้ไม่มีลายใดที่จะลบปีกปิดตัวไปได้นี่เราก็เห็นได้อย่างชัดชัดเพียงอยู่ในมนุษย์นี้ทั้งๆ ท, ที่เราก็ตาดีหูดีเรายังไม่เห็นผ่านพ้นความทุกข์ทั้งหาย ซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยแล้วเหตุใดจะไปลบล้างนรกอันเป็นที่หมกไหมของสัตว์จำพวกจยาบโลนทั้งหลายได้นี่นี่อธิบว่าสวขคาลธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วพวกสิ่งทุกอย่างผู้เชื่อตามพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ระมัด ร, ระวังในความชั่วไม่ ไม่กระทําและพยายามบําเพ็ญในทางที่ดีจะทุกข์ยากลำบากย่อมจะมีแก่ใจฝ่ฟาฝืนความไม่อยากทํานั้นด้วยการกระทํานี่คือผู้เชื่อเทอานี่เราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ยิ่ง จะได้นำธรรมเหล่านี้เข้ามาพินิพิจณาให้ถึงความจริงแห่งธรรมทั้งหลายความจริงนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติแต่ความดีงามผลจะไม่เป็นอื่นนอกจากความดีให้รับความสุขความเป็เิญเป็นที่พึงใจในสิ่งที่ประสบพบเห็นต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พึงใจเพราะความดีของตน ตอนต้นได้พูดถึงเรื่องศาสนาที่เป็นคราวเป็นสมัยเข่นข่าวถึงมาพุทธทานดอนหรือว่าศิลกะกับที่นี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองผู้ทรงศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าพุทธศาสนาศาสนา คือคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ได้ปฏิบัติเราได้นับถือเป็นหัวจิจหัวใจเป็นเนื้อเป็นหนังแากเป็นจากตายของเราทีนี้ย้อนเข้ามาเพื่อให้ผลประจักษ์กับใจของเราและเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราให้มีสติสตงังให้มีความรอบครอบ ให้มีกำลังใจขึ้นไปอีกนั้นเราควรจะคิดถึงตัวของเราในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เราจิตใจของเรามันเป็นสุญกับหรือเป็นยังไงถ้าจิตใจไม่มีสติประคองความเพียรไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในสิ่ง ที่พัวพันขัดข้องเสียดแทงภายนจิตใจคือกิเลสทั้งหลายแล้วนั่นก็คือศูญย์จะกับจะเป็นโอกาสให้กิเลสย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของเราไม่เลือกเรียบทัท้งๆ ท, ท, ที่เรานับถือาศาสนาะและเป็นพระปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะกลัวผู้ถือาศาสนาะทั้งๆ ท, ที่หาสติสตัง ลุบปัญญาศรัทธาความเพียงไม่ได้แล้วกิเลสจะกลัวคาว่าพระพระกรรมฐานกิเลสไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคาว่าพระกรรมฐานหรือไม่กรรมฐานแต่กิเลสจะแทรกเข้าไปในจุดที่พระกรรมฐานกำลังเล่นเลิกเผลอสติเซโซาๆตรงนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ต่อยโอกาสให้กิเลสต่อยได้ดีที่สุด เท่าพิสูจน์เราอย่างนี้จึงชื่อว่า น, นักปฏิบัติโอปัญิโกคืนน้ําเข้ามาเพื่อเป็นคติเพื่อเสริมสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราให้มีความเข้มงวดขวดขันเข้าไปกิเลสจะได้ถอยตัวห่างตัวห่างออกไปจากเราไงกิเลสกลัวตรงนี้ไม่ได้กลัวคําว่าพระไม่ได้กลัวคําว่าเดินจงกรมจอกจอกจอ ก, อ ก, อกหาสติไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะการนั่งสมาธิ ภาวนาทั้งอ้าปากทั้งหลับเพิ่มเริม่มหลงไหลไปในขณะที่ภาวนาอยางนั้นกิเลสไม่กลัวแต่กิเลสกลัวที่มีสติมีความเพียรด้วยสติมีความอุตสาห์พยายามมีความบึกบืนไม่ท้อแท้อ่อนแออันนี้สิ่งเลวร้ายทั้งทั้งหลายกลัวแล้วกันเรามีศาสนาถ้ามีศาสนากิเลสก็กลัว ขณะใดไม่มีศาสนาคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมรยี่เด็ดหัวเราะนี่แล้วนนวันหนึง่งวันหนึ่งนิยบทหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ขาดศาสนาไปช่วงระยะสั้นยาวขนาดไหนที่เป็นระหว่างพุทธันดอนคือระยะนั้นระลึกได้เหมือนกับเป็น พุทธะอันขึ้นมาอันหนึ่งระยะนั้นมีปัญญาข้อคิดต่างๆได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องบันเทาหรือเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสงบร่มเย็นขึ้นมาแต่ระยะนี้ขาดสติจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือจิตใจเกิดความเดือดร้อนเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นอะไร นี่ไม่มีาศาสนาะนี่ยไม่แต่ความคิดที่เป็นศาสนาโกเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่ยกิเลสเผาเผาพระเราเผาตรงนี้เผาตอนไม่มีาศาสนาะเราจะไปคิดข้าไกลๆนู้นโดยถ่ายเดียวาศาสนาพัฒกับนั่นพัฒกับนี้พุทธันดร น, นู้นพุทธันดรนี้สุญญกับนู้นสุญญกับนี้ท่านกล่าวมาเป็นลําดับกำลังที่เคยเป็นเคยมีมาอยู่แล้ว เราผู้ปฏิบัติเพื่อจะยังผลให้เกิดขึ้นแก่เราเวลานี้จงโอปัญิโกน้อมทําเหล่านั้นเข้ามาเป็นเครื่องข้ามสอนตนในเดยด น, นี้กําลังอยู่ในพัฒกับหรืออยู่ในสุญย์กับพัฒกับแปลว่า ก, กับที่เจริญเวลาที่เจริญขณะที่เจริญอิริยาบถ ท, ที่เจริญความเทียนในท่าต่างๆที่เจริญเจริญด้วยสติเจริญด้วยปัญญายึดมีความยิ่งแย้มแจ่สาย จมีความเบิกบานยิตมีความสง่าผ่าเผยด้วยอัดด้วยทำรรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสง่างามเป็นเครื่องส่องทางให้สง่าผ่าเผยนี่เป็นพัฒกัให้ย่นเข้ามาตรงนี้แล้วเมื่อพยายามอยู่เสมอเสมอเรื่องพัฒกันี้ก็จะมีกําลังมากขึ้นโดยลํำดับลำดับภายในจิตใจของเราผู้ถือพุทธ ถือเทวทัศน์นี่แหละเทวทัศน์ก็คือกิเลสตัวคอยจ้องคอยมองคอยป่าปรามเราอยู่เสมอคอยหิดขวางกดท่วงคอยเสียดคอยแทงคอยเหยียบย่ำทำลายอยูน่นี่ตัวยักษ์ตัวผีนี่เรียกว่าชุนยกระับทาสติทำปัญญาทมซูนไปแต่ กิเลสตัณหาสรภาพประเภทต่างๆซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟนั้นจเจริญความจเจริญของกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายท่านไม่เรียกว่าพัฒกัรมันจเจริญด้วยฟืนด้ว ย, วยไฟจ้ะเรียกว่าความจเจริญเพื่อความพลาสุกได้อย่างไรมันมีแต่จากความพินาศชิบหายล่มจมไปโดยไถ่เดียวจะเรียกว่าความจเจริญได้ลงคอแล้วหรือผู้จเจริญก็คือผู้เมสติมีปัญญาชัตตาความเพียร บำรุงจิตใจใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับๆที่เรียกว่าพาธกับเจริญภายในจิตของผู้ถือศาสนาพุทธโดยลำดับตลำดับจนกระทั่งถึงสว่างจ้าขึ้นรอบตัวอ้าวทีนี้พระอาทิตย์ร้อยดวงก็ไม่สนใจจะไปชิดกับมันละว่ามันมีความสว่างขนาดไหนความสว่างที่เต็มอยู่ภายในจิตใจซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความมืดบอด คือกิเลสทั้งหลายนี้ได้เต็มภูมิแล้วไม่สนใจกับพระอาทิตย์ทีมีร้อยดวงพันดวงกว็าตายไม่มีอะไรสว่างไม่มีอะไรรับเป็นเครื่องอบอุ่นจะพูดได้ว่าอบอุ่นไม่มีอะไรเป็นมหาสมบัติไม่มีอะไรเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสว่างด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนและด้วยธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี่เลยหนักนี่อะมหาภัตตกั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 ทำลาบากลําบดตั้งแต่วันเวลาบําเพ็ญก็ยากลําบากแสนสหัสเอาพระชนเข้าแลกทำทั้งหลายเพื่อสัตว์โลกเวลาได้ตรัสรู้ทาแล้วก็ทรงอุตสาห์พยายามภาระของพระพุทธเจ้าหนักตลอดตั้งแต่ทรงบําเพ็ญมาเรื่อยจาานกรทั่งได้ตรัสรู้แล้วเปลี่ยนภาระไปตามเนี่ยตามขาน่งตามเหตุการณ์แต่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 แห่งพบแห่งชาติทั้งหลายไม่มีอะไรเกินใจดวงนี้ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดไว้ใจนี้คือนักท่องเที่ยวนะจะเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้มีความดีเป็นที่พยุงใจเถิดย่อมมีความสุกกันสบายพอมีที่ตรงที่วางไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟปไปเสียทุกพบทุกชาติตลอดตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตของพบชาตินั้นๆโดยเฉลี่ยมีความสุขเป็นเครื่อง พระยุ่งเป็นเครื่องบำรุงรักษาเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไว้ น, นี้เราก็ไม่เสียทีสมมนุษย์กับว่ามนุษย์ฉลาดก่อนฉลาดหาความผูุกใส่ตนฉลาดแก้ความชั่วที่เป็นพิษเป็นภายแก่ตนรากเต็มกำลังความสามารถไม่คุ้นไม่ชินกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายพยายามปาดัดสลดับออกจากตัวเสมอ น, นี้เด็กกล่าวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายในในทันผู้ฟังทั้งหลายได้พิิจพิจารณาโอปนาญิโกคือย้อนหน้าย้อนหลังเที่ยงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนสมกับเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสาระคุณทั้งหลายแก่เราพากันนำไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนเองในเวลาที่โอกาสอำนวยสุขภาพก็อำนวย เวลาถาดขันก็ปกติดีงามทุกรูปทุกหนักความเพียรก็ให้ก้าเดินด้วยความมีสติมีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริงแห่งพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะพูดจะตรัสได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่ า, าศาสดาอุ้งเอกนี่เลย <c oughs> เอกนามมากินหนึ่งไม่มีสองนะก็มีแล้วคือพระโพธิจ้าที่มาตรัสรูดแต่ละครั้งครั้งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองเนี่ยพระยานที่ยังทราบในสิ่งทั้งหลายแม่นยำไม่มีสองพระวาจาที่ตรัสออกมาแต่ละประโยคไม่มีความยักย้ายผันแปรเคลื่อนค้าศัตริเต็มไปด้วยความจริงรุนร้วน ตรัสว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีอะไรเป็นอะไรดีอะไรชั่วสิ่งนั้นต้องเป็นดีเป็นชั่วตามที่ตรับไว้ทุกอย่างจึงเรียกว่าสาุขคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหนถ้า ไ, ไปสิ่งที่ดีนะสู่สถานที่ที่เพิงหวังไม่ไปไม่เป็นอื่นเนี่ยการเชื่อธรรมกับการเชื่อฝ่ายมารจึงมีผลผิดกันอยู่มาก ฝายมารก็คือสิ่งกระซิประซาบซึ่งฝังใจมาเป็นเวลานานแล้วท่านียกกิเลสคอยฉุดลากลงฝ่ายทําแนะนําให้ต่อสู้แย่งชิงออตัวของเราซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่านี้ให้พ้นจากปากมารคือกิเลสทั้งหลายด้วยการทําดีด้วยการฝ่าฟื้นสิ่งที่ต่ำช้าเหลือซาทั้งหลายตะเกียบตะกายหนักแล้ว เ, เอาเบาก็ทนเพื่อความดีทั้งหลายนีย่ความจเจริญก็ย่อมเป็นของเรา การแสดงธรรมประเสริฐมาสมควรจึงขออยุ่ติเอียาเท่านี้